คือกรรมนาให้เกิดจะนําให้เกิดลำบากแต่เมื่อบุญที่ทาไว้มากกว่ากรรมไม่ดีที่นําให้ลำบากก็จะต้องถูกตัดรอนด้วยอํานาจกุศลกรรมคือบุญอันยิ่งใหญ่กว่าคือเกิดมามารดาบิดายากจนมือแห่งบุญก็จะต้องเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นจากความลำบากยากจนให้มั่งมีสีสุขควรแก่บุญที่ได้ทาไว มือแห่งบุญมือแห่งบาปผู้ที่เกิดมาในที่ลำบากยากจนแต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทําไว้มากมายเพียงพอมือแห่งบุญก็จะเอื้อมาโอบอุ้มให้พ้นความยากลําบากได้อย่างรวดเร็วพ้นจากความยากจนดังปาฏิหารมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เด็กบางคนทําบุญทํากุศลไว้ดี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 เกิดในที่ต่ำต้อยยากไร้และเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทํากุศลมาในอดิตชาติเพียงพอย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาอบอุ้มเขาให้พ้นความลำบากยากจนแม้เมื่อมารดาบิดดาจะพยายามเสี่ยงนําเขาไปวางไว้ในที่ที่หวังจะมีผู้ดีมีเงินมานาไปอุปการะเลี้ยงดูความไม่มีบุญทําไว้ก่อน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 ของกรรมอย่างแท้จริงผู้มีปัญญาปลวกกรรมเป็นยิ่งนักอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนักจึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนักกุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างชีวิตในปัจจุบัน จึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ด้วยอำนาจของกุศ ล, ลกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นที่ได้กระทำไว้ในอดิตชาติเมื่ออกุศลกรรมคือการคดกองเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนที่ได้กระทำไว้ในอดิตชาติตามมาส่งผลและเมื่อเป็นผลที่แรงกว่า มีกำลังกว่ากุศลกรรมที่กำลังเสวย อ, อยู่อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรมส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทนความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไปอกุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได้กำลังเป็นสุข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 เพียงทำในชาติเดียวก็มากมายจริงๆแล้วเมื่อได้ทำมานับพบนับชาติไม่ท้วนจะมากมายเพียงไหนขณะที่มาเป็นอยู่ในพบนี้ชาตินี้ได้รักพบชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากนักหนาะกรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกันบางคนกรรมดีอาจมากกว่าบางคนกรรมชั่วอาจมากกว่า